ตอนที่ห้อดข้าไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นแบบนี้คําพูดยังไม่ทันจบเยี่ยหัวก็ซัดฝ่า ม, มือออกไปหนึ่งครั้งเพื่อบีบให้เขาถอยห่างก่อนจะดึงตัวเยี่ยวกลับมาไว้ข้างหลังตนเองท่านซื่อจือไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรอีกแล้วหากอยากช่วยจริงๆก็เชิญพาน้องสาวผู้น่ารักของท่านกลับไปอยู่ที่จวนสิ้นอ๋องอย่างสงบเถิดการที่ท่านไม่มาสร้างความวุ่นวายก็นับว่าช่วยได้มากแล้วเรื่องของผู้โอบมิกล้ารบกวนให้ท่านซื่อจือต้องลำบากใจ ลิ้นเซินอ้าปากค้างคําพูดนับพันหมื่นที่จุกอยู่ในอกกลับไม่อาจเ อ, อ่ยออกมาได้แม้แต่คําเดียวเย่เยาถึงขั้นไม่อยากจะปลายตามองเขาอีกท่านที่พวกเราไปช่วยคนกันเถอะเจ้าค่ะก่อนหน้านี้นางยังอุตสาหคิดว่าการที่มีท่านซื้อจื่อมาช่วยหน้าจะเป็นเรื่องดีใครจะไปรู้ว่าเขาจะมาช่วยในลักษณะนี้ยังกล้าพูดอีกหรือว่าเรื่องการบรรเทาทุกแจกจ่ายโจกเขานั้นเชี่ยวชาญเย่เยอยากจะจับเขาโยนลงไปต้มในหม้อรจริงๆจะได้รู้ว่าอะไรคือเชี่ยวชาญที่แท้จริง เยี่ยหัวพยักหน้าให้นางก่อนจะหันไปร้องบอกผู้อบพยพทุกทันรีไปเข้าแถวรับโจกอย่าได้เสียเวลาผู้อพยพต่างแยกย้ายกันไปเยี่ยหัวถือว่าช่วยคลี่คลาสถานการณ์ให้พวกเขาด้วยทันท่วงทีสองพี่น้องเดินจับไปอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่หันกลับมามองมุมปากของเสี่ยชิงจือกโค้งขึ้นอย่างประหลาดหลินเซินก้าวตามไปก้าวหนึ่งก่อนจะหยุดชะงักเมื่อมองตามแผ่นหลังของเยี่ยวยาวที่จับไปอย่างไม่เหลือเยื่อใ ย, า ย, ายเขารู้สึกเหมือนหัวใจกำลังบีบรัดเข้าหากันทีละนิด ครั้งนี้เขาทําผิดจริงๆนางผู้ถูกเสี้ยชิงจือคิดไม่ได้แล้วเขาก็คิดไม่ได้ด้วยอย่างนั้นหรือชิงจือทำตัวเหลวไหลแล้วเหตุดาเขาถึงต้องเหลวไหลไปกับนางด้วยเงินทองที่ใช้ไปหักนําไปซื้อธั ญ, ญพืชย่อมดีกว่าเอามาซื้อขนมหวานราคาแพงที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมเหล่านี้ตั้งเท่าไหร่แม้จะใช้ชื่อของชิงจือในการบรรเทาทุกข์และนางไม่อยากทําเหมือนเยี่ยยาแต่ก็ไม่ควรมาขัดแข้งขัดขาเช่นนี้ ตอนนี้ทุกอย่างสายเกินไปแล้วความผิดหวังได้เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่เขายังจะมีโอกาสแก้ไขมันได้อีกหรือไม่สายตาของเยี่ยยาวเมื่อครู่ราวกับมีคมที่ปักลึกเข้าไปในขั้วหัวใจของเขาเขาไม่เคยสัมผัสความรู้สึกที่ว่าการทำให้คนคนหนึ่งผิดหวังจะทำให้ตนเองเจ็บปวดได้ถึงทีงน่นี้เขาอยากจะแก้ไขจริงๆทว่าตอนนี้เยี่ยยากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธเพื่อไม่เป็นการเติมเชื้อไฟลงในกองเพลิงคงต้องรอโอกาสหน้าค่อยไปขอโทษนางอย่างจริงจัง เมื่อเห็นเยี่ยยาวและเยี่ยหัวเดินไปไกลแล้วเสียยชิงจือก็พยายามบีบน้ำตาออกหมาอีกสองสามหยดก่อนจะเรียกด้วยน้ำเสียงสะอื้นพี่เซินลินเซินได้สติเขารียพยุมนางขึ้นจากพื้นพร้อมกับช่วยปัดฝุ่นบนกระโปรงให้จัดการข้าวของแล้วกลับกันเถอะแต่ว่าเสี้ยชิงจือคว้าแขนเสื้อเขาไว้ให้ข้าไปอธิบายกับพี่หญิงเยี่ยแทนท่านดีหรือไม่ทุกอย่างเป็นพระข้าตัดสินใจไปเองคนเดียว ความจริงแล้วพี่เซินถ้าไม่รู้เรื่องเลยว่าข้าจะใช้ขนมหวานมาแจากจ่ายบรรเทาทุกข์แต่พี่เซินข้าไม่รู้จริงๆว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ข้าเพียงแค่คิดว่าในเมื่อผู้อพยพรับโจกจากพี่หญิงเยี่ยไปแล้วหากได้ทานขนมหวานตบท้ายก็น่าจะเหมาะสมที่สุดใครจะไปรู้ว่าลินเซนมองนางด้วยความพูดไม่ออกนางเป็นคุณหนูผู้สูงศัก์ถูกประครบประง ม, มมาตั้งแต่เด็กหลังจากมื้อหลักย่อมมีผลไม้ขนมหวานและน้าตาลกรวด แต่ผู้อพยพเหล่านี้คือชาวบ้านธรรมดาพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นได้อย่างไรการมีอาหารตกถึงท้องให้อิ่มตังหาคือเรื่องสําคัญที่สุดที่แท้ตอนที่เขาถามนางว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วนางบอกว่ามีกลับกลายเป็นความคิดเช่นนี้เองหรือแต่ตอนนี้พูดอะไรไปก็ไร้ประโยชน์เขาควรจะห้ามนางตั้งแต่ตอนที่เห็นขนมประณีตเหล่านั้นวางอยู่ในเพลิงแล้วแต่หลินเซินกลับไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้เรื่องราวบานปลายมาจนถึงจุดนี้ มันเป็นความรับผิดชอบของเขาจริงๆการที่ถูกเยี่ยยตําหนิเขาไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องรอกลินเซิร์นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก, ก่อนจะกล่าวต่อข้าจะไปพูดกับนางให้ชัดเจนเองเจ้าเองก็ไม่ต้องโทษตัวเองอีกเขารู้ว่าเป็นปัญหาของเซี่ยชิงจือแต่ถึงอย่างไรนางก็คือน้องสาวที่เขาเอนดูมาหลายปีลินเซินจึงไม่อาจหักใจตําหนิได้ลงสุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นเพียงกล่าวเรียบๆว่า ไม่เป็นไรแล้วเจ้ากลับไปก่อนเถอดตรงนี้ข้าจัดการเองน้ำตาของเซี่ยชิงจือยังคงไหลรินนางมองเขาด้วยสายตาเศร้าสอยข้าขอโทษนะพี่เซินข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆรืมข้ารู้แล้วหลินเซินปอบหลบโยนกลับไปเถอะไม่เป็นไรเจินจูทรงคุณหนูกลับจวนอองเจินจูเดินเข้ามาพยุงเซี่ยชิงจือแล้วพานางเดินออกไปนางเดินไปพลางหันกลับมามองพรางดวงตาร้องให้จนแดงกำ่ำ แลินเซิลกับก้มหน้าลงไม่ได้มองนางอีกโชคดีที่ไม่มีใครถึงแก่ชีวิตเรื่องนี้คงเป็นเพียงเหตุการณ์วุ่นวายเล็กๆเท่านั้นการที่ช่วยเยี่ยยาวไม่ได้แถมยังเกือบจะสร้างเรื่องใหญ่ลินเซิลรู้สึกผิดจนบอกไม่ถูกพรั้นในชั่วพริบตานั้นเขาก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของเยี่ยยาวขึ้นมาบ้างแล้วทั้งที่รู้ว่าเป็นปัญหาของเซี่ยชิงจือแต่กลับเอาผิดนางไม่ได้แถมยังมีคนมากมายคอยช่วยพูดแก้ต่างให้นางความรู้สึกนี้มันช่างหน้าโมโนหนัก เมื่อเดินออกมาไกลพอแล้วเสียชิงจือก็ไม่หันกลับไปมองอีกนางหยุดร้องไห้และปาดคราบน้ําตาออกแววตาพลันเปลี่ยนเป็นยินเยียบและคมปราบนางมองดูเงาร่างของเยี่ยยาวที่กําลังยุ่งวุ่นวายอยู่ในเพิงโจ๊กจากระยะไก ล, ก, ลก่อนจะเบนสายตาไปยังเตาไฟและกองธัญพืชเหล่านั้นฝีเท้าไม่ได้หยุดลงแต่แววตาเย็นเยียบปรับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นที่เซินเยว่ยาวของท่านผิดหวังในตัวท่านแล้วนางยิ่งโกรธท่านและยิ่งไม่อยากแต่งงานกับท่านเข้าไปใหญ่เลยล่ะ เสี้ยชิงจือแค่นหัวร้อยเย็นชาครั้งหนึ่งก่อนจะหายแล้วไปที่มุมถนนหลินเซินยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานมองดูเงาร่างที่ยุ่งวุ่นวายของเย่ยเยาในเพิงโจกไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นานจนหนานเฟิงเริ่มไม่สบายใจเดินเข้ามาเรียกท่านซื่อจื้อท่านหลินเซินยกมือขึ้นข้าไม่เป็นไรไปสั่งคนให้มารื้เพิงขนมหวานออกซะหนานเฟิงมีสีหน้าลำบากใจแล้วขนมหวานที่เหลืออีกตั้งมากมายนั่นจะจัดการอย่างไรขอรับ หลินเซินคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้ามองเยี่เ ย, ยา ว, ว์ตาพันมีประกายขึ้นมาเก็บไว้แล้วเอามาส่งที่นี่นานเฟิงอุทานเสียงหลงส่งที่นี่เขาหูฝาดไปหรือท่านซื่อจือพูดผิด ก, กันแน่เมื่อครู่แม่นางเยี่ยเพิ่งจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหากยังเอาขนมพวกนี้มาส่งที่นี่อีกนางมิโกรธจะนอกแตกตายหรือท่านซื่อจือตัดใจทําให้นางโกรธขนาดนั้นได้เชียวหรือเรื่องนี้เกรงว่าไม่ค่อยดีกระมังขอรับ นานเฟิงกล่าวอย่างเกรงเกรแม่นังเยียเกรงว่าจะต้องโกรธท่านซื่อจื่ออีกแน่ๆนลินเซินปลายตามองเขาโดยไม่คิดจะอธิบายสั่งให้เจ้าเอามาส่งที่นี่ก็เอามาส่งที่นี่รีบไปนานเฟิงจึงได้แต่รับคำสั่งไปจัดการในช่วงที่เยียเยากำลังยุ่งที่สุดลินเซินก็โผล่มาอีกครั้งพร้อมกับสั่งให้คนขนขนมหวานที่เหลือทั้งหมดมาสอดแทรกไว้ในเพลิงโจก เดิมทีเพิงโจกที่เพิ่มเตาไฟขึ้นมาหลายเตาก็แทบจะไม่มีที่ว่างอยู่แล้วพอของพวกนี้มาถึงพื้นที่ก็ยิ่งกับแคบลงไปอีกยี่หัวโกรธจนอยากจะลงไม้ลงมือเสียเดี๋ยวนี้แต่ถูกยี่ยยว่ห้ามเขาจึงต้องข่มความโกรธแล้วเดินเลี่ยงไปทางอื่นเพราะเกรงว่าจะอดใจไม่ไหวเยี่ยวเองก็พยายามสะกดอารมณ์โกรธจ้องมองเขาท่านเอาของพวกนี้มาส่งที่นี่ทำไมจะเย้ยว่าจวนกัวกงของพวกเราไม่ร่ำรวยเท่าจนสิ้นอองบรรเทาทุกได้แค่โจกโตมไม่เหมือนพวกท่านที่มีขนมหวานราคาแพงอย่างนั้นหรือ ทุกคำพูดราวกับเข็มเหล็กที่ทิ่มแทงลงบนตัวหลินเซินเห็นได้ชัดว่านางผิดหวังและโกรธเขาจริงๆหลินเซินไม่ได้โต้ตอบเขาเอ่ยอย่างจริงใจว่าเป็นพระพวกเราพิจารณาไม่รอบคอบจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นถึงแม้ขนมเหล่านี้จะไม่เหมาะกับการนำมาบรรเทาทุกข์แต่หากทิ้งไปเฉยๆก็นับว่าเป็นการเสียของและสิ้นเปลืองอาหารโดยใช่เหตุเมื่อได้ยินเช่นนั้นสายตาที่เยี่ยมมองเขาก็เปลี่ยนไปท่านอยากให้พวกเราทําอย่างไร ขนมเหล่านี้ล้วนเป็นของราคาแพงแม้การนำมาบรรเทาทุกจะดูเกินจำเป็นไปบ้างแต่มันก็คืออาหารหลิงเซินพูดถูกผู้อพยพไม่มีข้าวจะกินหาขนมราคาแพงมากมายขนาดนี้ถูกทิ้งขว้างไปเปล่าเปล่ามิใช่เรื่องที่น่าอสูนหรอกหรือ